ทำไมอยู่อยู่แล้วเรื่องราวที่เหมือนดังนี้ใหญ่เธอเล่าแล้วร้องให้บอกว่ามันไม่จริงวัในใดชีวิตจริงไม่มีรอกเจ้าชาย ทำให้ฉันกังวลไม่กล้าจะเผยความในใจรักกลัวตอนนั้นผิดหวังกับการลาเธอคงไม่รู้อะไรแค่เพียงบอกรักกับฉันมาดวงดาวบนฟ้าของฉันก็วับว่า กายเป็นเจ้าชายในนิยายในโลกความจริงจะไม่ทอดทิ้งให้เธอต้องอยู่เพียงผู้เดียวให้เธอรับรู้ว่ารักของเราจะเป็นเหมือนในนิยายแล้วทุกอย่างจะลงเอา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 แปลงกายเป็นเจ้าชายในนิยายในโลกความจริงจะไม่ทอดทิ้งให้เธอต้องอยู่เพียงคู่เดียวให้เธอรับรู้ว่ารักของเราจะเป็นเหมือนในนิยายแล้วทุกอย่าง จะลงเอยด้วยดีโอ้ oh, oh, oh. เราสองคนจะลงเอย